สำรวจสติรภาพของครอบครัวพระพุทธวจนะที่ยกมานั้นเราอาจใช้เป็นหลักสำรวจดูสติรภาพครอบครัวได้เป็นอย่างดีคือถ้าเราอยากรู้ว่าเวลานี้ความสุขในครอบครัวของเรามั่นคงเพียงใดหรือไม่เราใช้วิธีให้คะแนนตามหลักสีนั้นโดยตั้งคะแนนเต็มให้มีน้ำหนักอนุโลมกับพระบาลีตัวอย่างเช่นหลักที่1คะแนนเต็ม100หลักที่สอง คะแนนเต็ม100หลักที่3คะแนนเต็ม100ส่วนหลักที่4คะแนนเต็ม700รวมคะแนนเต็มทั้ง4ี่หลัก1000คะแนนวิธีทําให้ตีแบบฟอร์มกรอกคะแนนดังนี้แบบสํารวจสถจจรภาพความสุขแห่งครอบครัวหลักที่1ความสุขที่ได้จากการมีทรัพย์คะแนนเต็ม100คะแนนคะแนนที่ได้หมายเหตุ หลักที่สองความสุขที่ได้จากการจ่ายซับคะแน 100, นเต็ม100คะแนนที่ได้หมายเหตุ impacted. หลักที่สามความสุขที่ได้จากการไม่มีหนี้คะแน 100, นเต็ม100คะแนนที่ได้หมายเหตุ impacted. หลักที่สี่ความสุขที่ได้จากการทำงานไม่มีโทษคะแนนเต็ม700คะแนนที่ได้หมายเหตุ impacted. รวมคะแนนเต็ม 1,000 คะแนนคะแนนที่ได้หมายเหตุวิธีให้คะแนนก่อนอื่นโปรดทราบว่าปัญหาการทะเละวิวาสหรือแตกแยกกันระหว่างผัวเมียรวมทั้งการเจ็บป่วยไม่เกี่ยวกับการสำรวจเพราะนั่นเป็นเรื่องคุณลักษณะของคนที่เป็นคู่ครองซึ่งได้พูดไว้ตอนเรือนชั้นในแล้วที่จะพิจารณาให้คะแนนนี้เฉพาะเรื่องความสุขที่เกี่ยวกับนโยบายบริหารของครอบครัวเท่านั้น หลักที่ 1. ใช้วิธีพิจารณารายได้หรือผลประโยชน์และทรัพย์สินของครอบครัวแบ่งฐานะของคนที่มีภาระพอๆกับเราออกเป็นหนึ่งรชั้นคือคนขนาดเราเนี่ยมีตำแหน่งหน้าที่คล้ายๆกันมีลูกเต้าพอไล่เลี่ยกันในร้อยชั้นนั้นเราอยู่ชั้นไหนสมมติว่าเราอยู่ชั้น20เราก็ให้คะแนนลงไว้20ตรงกับรายการที่หนึ่งหลักที่สอง ใช้วิธีพิจารณารายจ่ายโดยปกติแล้วคนที่จ่ายมากที่สุดคือเกณฑ์จ่ายเท่ากับรายได้ทั้งหมดในครอบครัวเส้นตายอยู่แค่นี้รายได้รวมกันแล้ว1000บาทต่อเดือนในวงเล็บเงินยืมไม่ถือเป็นรายได้รายจ่ายเต็มอัตราก็สุดแค่ 1,000 บาทจ่ายเลยนั้นไม่ได้ผิดเสียคะแนนในการทํา บ, บัญชีการค้าเขาทำสองบานคือบัญชีรายรับรายจ่าย การสารวจฐานะความสุขของครอบครัวก็แบ่งเป็น2บานเหมือนกันแต่แทนที่จะเรียกว่ารายรับรายจ่ายให้เปลี่ยนเป็นรายได้รายเหลือคือดูรายได้กับรายเหลือที่จะได้คะแนนก็ได้ตรงที่สามารถทำให้มันเหลือได้นั่นเองคนจ่ายเก่งนั้นไม่ใช่เก่งที่จ่ายให้มันหมดแต่เก่งที่จ่ายให้มันเหลือเวลาให้คะแนนให้ถือส่วนเหลือเป็นเกณฑ์ สมมติตัวอย่างที่เห็นได้ง่ายๆเอาจํานวน1000งพัเป็นเกณฑ์เช่นครอบครัวนายแดงได้เดือนละ100บาทรายจ่ายทั้งสิ้นเดือนละ90บาทคงเป็นรายเหลือ10บาทตามตัวอย่างนี้เองนายแดงได้คะแนนจากการจ่ายทรัพย์10คะแนนนี่สมมติพอเป็นตัวอย่างให้ท่านผู้อ่านเทียบส่วนเอาเองเช่นคนรายได้1000บาทจ่าย900บาทเหลือ100บาทก็ถือว่าได้10คะแนน ครอบครัวของท่านล่ะได้คะแนนจากการจ่ายเท่าไหร่ถ้าสมมติว่าใครจ่ายเท่าไร่ได้ได้ร้อยจ่ายร้อยได้พันจ่ายพันไม่มีไรายได้เหลือเลยคะแนนก็ไม่มีเหลือเลยลงศูนย์ได้หลักที่สามหนี้สินหมายความว่ายืมเงินคนอื่นใช้นี่พูดกันตรงๆวิธีพิจารณาให้คะแนนก็ให้เอาทรัพย์สินของตนเองตั้ง แล้วรวมบรรดาห น, นี้สินที่กู้ยืมจากใครๆเข้ากันเอาจํานวนราคาทรัพย์สินที่สูงกว่าหนี้ขึ้นไปเป็นเกณฑ์ให้คะแนนคล้ายกับเอารายเหลือมาให้คะแนนในรายการที่2นั่นเองตัวอย่างสมมุตินายดำมีทรัพย์สินรวมราคา100บาทกู้เงินใครๆยังไม่ได้ใช้75บาทราคาทรัพย์สินเกินกว่าหนี้สิน25บาท เพราะฉะนั้นเราให้คะแนน25คะแนนหลักที่ 4. ทำงานโดยไม่มีโทษคืองานอาชีพและงานอดิเรกที่ทำอยู่ไม่ผิดกฎหมายไม่ผิดศีลธรรมไม่ผิดคำสั่งไม่ผิดประเพณีซึ่งจะอธิบายต่อไปการพิจารณาให้คะแนนต้องตัดสินด้วยความสำนึกท้งเหตุผลเป็นเกณฑ์จะหาตัวเลขวางกฎเกณฑ์ลงตายตัวไม่ได้ยกตัวอย่างข้อคิดเช่น มีอาชีพทางทุริตโดยตลอดหรือไม่ได้คิดไฝ่ฝันหาช่องทำผิดอยู่เสมอหรือไม่ได้ทำความผิดเป็นงานอดิเรกหรือไม่ได้เอออวยในการทำความผิดของคนอื่นหรือไม่และอื่นอื่นแล้วก็ให้คะแนนตามความสานึกที่มีเหตุผลถ้าชีวิตสว่างสวคิดเท่าไหร่เท่าไหร่ก็ไม่พบความผิดเลยก็ให้700คะแนนเต็มถ้าความสว่างสวของชีวิตไม่แจ่มใสพอ มีความเป็นปีศาจหลอกหลอนมากเท่าไหร่ก็หักคะแนนลงไปหลักที่4นี้ให้น้ําหนักคะแนนมากกว่าทุกหลักถ้าเสียคะแนนหลักนี้ไปเท่ากับ3มหลักต้นรวมกันคือ300คะแนนความสุขใจก็ไม่มีเหลือเลยในการครองครอบครัวแม้จะมีทรัพย์มากมายก็ต้องนอนผวาเสถียรภาพของครอบครัวสุดลงถึงที่สุดไม่มีอะไรเป็นหลักประกัน คอยแต่วันจะสลายตัวเท่านั้นและถ้าใครผู้ใดคะแนนในข้อ 4. นี้ไม่มีเหลือเลยได้ศูนย์ใจของเขาจะร้อนเหมือนไฟเผาไม่มีความพอใจแม้แต่ในการครองร่างกายและชีวิตของตนเองอยากตายเสียให้มันพ้นพ้นไปเมื่อได้คะแนนครบสี่รายการแล้วลองรวมคะแนนดูท่านก็จะรู้ว่าความสุขในครอบครัวมีเท่าไหร่ถ้าได้คะแนนมากก็แสดงว่ามีความสุขมาก ถ้าได้คะแนนน้อยก็หมายความว่าสุขน้อยวิธีสำรวจนี้ใช้สำรวจครอบครัวคนอื่นดูก็ได้เรามาศึกษาเงื่อนไขต่างๆในหลักทั้ง4ต่อไปนี้หลักที่1ทรัพย์เป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งสำหรับการครองเรือนผมคิดว่าจะไม่พนันนาความจำเป็นของการมีทรัพย์ให้เป็นการเสียเวลาของท่านผู้อา่านเพราะเป็นเรื่องที่รู้รู้กันอยู่เต็มใจแล้วครองเรือนโดยไม่มีทรัพย์ก็ไม่ผิดอะไรกับเราเคี้ยวปากเปล่า ทำจับจับซุดๆเอาเองโดยไม่มีอาหารอยู่ในปากทำเท่าไหร่มันก็ไม่อิ่มท้องหรือแม้แต่จะอริดอร่อยสักนิดก็ไม่มีทรัพย์เป็นหลักอย่างหนึ่งของผู้ครองเรือนเป็นที่ยึดเหนี่ยวของครอบครัวเราจึงเรียกกันว่าหลักทรัพย์ปัญหาสําคัญที่เราน่าจะศึกษาอย่างละเอียดคือเรื่องการทําให้เรามีทรัพย์หรือทําให้ทรัพย์มามีอยู่ที่เราพระพุทธเจ้าทรงสอนวิธีปฏิบัติไว้สี่ข้อ สำหรับเรื่องนี้คือ 1. อุทธานะสัมปทาขยันท ร, รมาหากิน 2. อารักขสัมปทาให้อารักขาทรัพย์ 3. กัลยาณมิตรตาคบแต่คนดีเป็นมิตรสสมชีวิตาเลี้ยงชีพอเหมาะข้อปฏิบัติทั้ง4ี่นี้ในตำราเรียกว่าทิฏฐธรรมิกกถะแปลว่า ประโยชน์ปัจจุบันซึ่งหมายความว่าวิธีปฏิบัติให้ตนเองมีหลักแหล่งได้รับประโยชน์จากการครองเรือนท่านผู้อ่านโปรโดพิจารณาทบทวนดูหัวข้อทั้งสีนั้นอีกครั้งหลายหนาทีหน่อยแล้วจะเห็นว่าพระพุทธองค์ทรงวางหลักปฏิบัติไว้เหมาะเจาะเพียงใดข้อแรกเป็นวิธีทำให้ทรัพย์มีข้อที่สองเป็นวิธีรักษาทรัพย์ที่มีแล้วข้อที่สเป็นวิธีป้องกันศัตรูภายนอกให้ทรัพย์ ข้อที่4เป็นวิธีป้องกันศัตรูภายในให้ทรัพย์ข้อที่ 1. การหาทรัพย์ทำอย่างไรเราจึงจะมีทรัพย์เป็นปัญหาที่ทุกคนขบคิดกันนักความอยากได้ทรัพย์มันคอยสะกิดหลังอยู่ทุกวันไม่คิดไม่ได้แต่ว่าก็ว่าเถอะที่คิดนั้นคิดกันหลายแบบบางคนคิดแต่จะเป็นเจ้าของทรัพย์ไม่ได้คิดทำพูดง่ายๆคือคิดจะมีแต่ไม่คิดจะหาซึ่งเป็นการคิดผิด ถึงแม้จะทำก็ทำในสิ่งไร้เหตุผลเช่นคนคิดจะมีทรัพย์ด้วยวิธีแทงหวยแทงโปจะเป็นเศรษฐีทางลัดแทนที่จะคิดทำงานกลับคิดแต่จะไปหาผู้วิเศษบอกหวยบอกเบอร์ปะเหมาะก็หาดกินทางฝันคอยแต่จะให้ผีสางเทวดามาโปรดไม่คิดดูว่าผีสางเหล่านั้นเขาเป็นอะไรกันกับเราเขาจึงจะมีเกียรใจมาช่วยเหลือเราจริงๆจังๆวิธีหาทรัพย์ของพระพุทธองค์เป็นวิธี คิดทำแทนที่จะคิดมีโปรดดูในพุทธโอวาทข้อที่หนึ่งที่ว่าอุตถานสัมปทาซึ่งแปลว่าถึงพร้อมด้วยความขยันนี่แปลเอาความอย่างไทยที่จริงคำว่าอุานาะแปลตรงตัวว่าลุกขึ้นเป็นลักษณะอย่างหนึ่งของความขยันพูดถึงลักษณะความขยันไว้ตรงนี้บ้างเห็นจะดีคือลักษณะที่ว่าขยันขยันน่ะทั้งศาสนาแสดงไว้หลายชั้นอทิ อุตฐานะการลุกขึ้นทักขะความบึกบืนวิริยะความกล้าสู้ปรกกระมัความก้าวหน้าและดูเหมือนจะยังมีอีกเวลานี้ยังนึกไม่ได้แต่ถึงจะมีอีกก็อยู่ในสายเดียวกันนี้อุดฐานะคือการลุกขึ้นหมายถึงลุกขึ้นทำงานตรงกันข้ามกับนอนอิริยาบดนอนนั้นมักจะถือว่าเป็นลักษณะของคนเกียจคร้าน อย่างเช่นคำประชดที่เราว่าคนขี้เกียจสันหลังยาวคำว่าสันหลังยาวนั้นหมายถึงการนอนคนนอนมากนั่นแหละคือคนสันหลังยาวเป็นคำประชดว่านอนจนตะวันโด่งฟ้าแล้วก็ไม่ออกจากที่นอนเพราะสันหลังมันยาวตั้งสายแล้วก็ยังวัดไม่เสร็จกว่าจะยกให้พ้นจากที่นอนได้แทบกระดูกร่วงนอนไม่ใช่อริยาบถของคนทรมาหากินไม่มีอาชีพชนิดใดที่คนนอนทาแล้ว จะได้ซับพอเลี้ยงปากเลี้ยงท้องตรงกันข้ามการทำมาหากินคนต้องลุกขึ้นทำฉะนั้นท่านจึงถือว่าอุต ธ, ธานะการลุกขึ้นเป็นความขยันคำพูดของคนโบราณมีบางคำที่มินเมจะทำให้เสียนิสัยเช่นอย่างชมคนมั่งมีว่าเขาได้นั่งกินนอนกินความหมายก็คงจะมีแค่ว่าไม่ต้องทำงานหนักก็มีกินคือรวยมาก แต่มันทำให้คนเบาความคิดไม่อยากทำงานอยากจะนั่งกินนอนกินเห็นเป็นความโกเก๋และเห็นว่าการทำงานเป็นสิ่งน่าอายเลยไปกันใหญ่คําให้พรทางภาคอีสานมีคําหนึ่งที่ว่านอนหลับให้เจ้าได้เงินหมืน่นนอนตื่นให้เจ้าได้เงินแสนนี่ก็เหมือนกันเป็นการสอนให้คนหากินทางฝันอีกเหมือนกันเพราะเหตุนี้แหละนอนตื่นขึ้นจึงได้นั่งกอดเขาแก้ฝันกันเป็นบ้าเป็นหลัง คิดแต่จะมีแต่ไม่คิดจะทำผลที่สุดแทนที่จะได้เป็นคนมั่งมีก็เลยกลายเป็นคนมีมั่งเท่านั้นทักขะแปลว่าความขยันตรงกับลักษณะที่ว่าบึกบึนทาทนคนขยันชั้นนี้ดูเหมือนจะต่างจากชั้นอุทนะต่างอย่างไรพูดยากแต่พอจะสรุปได้ว่าคนขยันชั้นอุทนาเป็นคนคอยให้งานเรียกงานเรียกหาคนส่วนชั้นทักขะนี้คนเรียกหางาน พูดเท่านี้ก็เห็นพอจะคิดออกต้องคิดดูดีๆคิดช้าๆจึงจะได้ความคนเรียกหางานกับงานเรียกหาคนต่างกันอยู่คนที่ให้งานเรียกหาคนชอบตั้งคำถามว่ามีงานอะไรที่เราจะทำแต่คนที่เรียกหางานเขาจะตั้งคำถามว่าเราจะทำงานอะไรคือเป็นคนคิดอ่านทำงานวิรยะแปลว่าความเพียรคือเอาคำว่า กล้าสู้เป็นความขยันอีกลักษณะหนึ่งแสดงออกเมื่อเผชิญกับค่าสึกของความเพียรคือกล้าสู้กับความเหนื่อยกับความหิวกับความร้อนกับความหนาวไม่ยอมเลิกความเพียรเพราะเหตุเหล่านี้ถ้าดูความแรงกล้าทางจิตใจแล้ววิริยะเข้มแข็งกว่าอุทานะและทักขะที่ว่ามาแล้วปรกมะแปลว่าก้าวหน้าคือบุกฝ่าเข้าไปในอุปสรรคก้าวไปเสมอไม่ถอยหลัง เป็นความเพียรที่แรงกล้ายิ่งนักรวมความแล้วการหาทรัพย์ต้องมีความเพียรเป็นทุนขาดไม่ได้อย่างน้อยก็เพียรในชั้นอุตฐานะคือเป็นคนลุกขึ้นไม่ใช่มัวเมาในการนอนศัตรูตัวการของความขยันคือความเกียจคร้านถ้าความเกียจคร้านแทรกในใจมากเท่าไหร่ความเพียรก็ถอยกําลังลงเท่านั้นอยากรู้ว่าความเกียจคร้านแทรกหรือไม่ให้สังเกต ด, ดูใจเราเองใจที่ เกียรคร้านขี้ขาดไม่กล้าสู้มีแต่กลัวที่สําคัญที่สุดคือกลัวตายเพราะความเกียดคร้านนั้นมีเล่แทรกใจคนอยู่อย่างหนึ่งคือมันเอาความตายมาขู่มันบอกว่าร้อนจะตายทำงานยังไงไหวหนาวจะตายทำงานยังไงไหวเหนื่อยจะตายทำงานยังไงไหวและอื่นๆรวมความว่ามันเอาตายมาขู่ข้าวยังไม่ได้กินมันก็ขู่ว่าหิวจะตาย จะทำงานยังไงกินอิ่มแล้วมันก็ขู่ว่าอิ่มจะตายจะทำงานยังไงสังเกตดูเถอะข้ออ้างที่มีคำว่าจะตายจะตายลงท้ายให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นกลอุบายของความเกียดคร้านคนเราถ้าความเกียดคร้านมันสิงใจแล้วขอโทษเถอะมันทำท่าจะตายวันละ500ครั้งยิ่งเกียดคร้านมากเท่าไหร่ก็ยิ่งมองเห็นความตายมาหลอกหลอนมากเท่านั้นแล้วก็เป็นความจริง ที่สุดของคนเกียจคร้านคือตายทั้งนั้นความเกียจคร้านนั้นบางทีมันก็คัดค้านการทำงานของเขาจังๆโดยยกความเจ็บความตายมาขู่อย่างที่ว่ามาแล้วเกียจคร้านประเภทนี้เรารู้ง่ายยังมีอีกประเภทหนึ่งไม่ค้านจังๆแต่คอยกระซิบใจให้รลจาก ง, งานคือในใจเรามีความสํานึกอยู่สองอย่างความเกียจคร้านหนึ่งความขยันหนึ่งพอความขยันเตือนใจให้เดินเข้าหางาน ความเกียดคร้านก็คอยฉุดคอยดึงออกจากงานยกตัวอย่างเช่นพอตื่นนอนเช้าลุกขึ้นเถอะเตรียมตัวไปทํางานขยันเตือนจะไปหรือวันนี้เหมือนเมินศีรษะขี้เกียจแทกไปไปงานการจะได้ก้าวหน้าขยันทัดทานระวังนะเมื่อคืนนี้นอนดึกประเดี๋ยวจะไปไม่สบายห่วงสุขภาพเสียบ้างขี้เกียจเทศนา ไปดูก่อนใสสายหน่อยมันก็หายมึนศีรษะนิดๆหน่อยๆก็ทนเอาลุกขึ้นล้างหน้านี่สายแล้วความขยันโตเอาบ้างมึนศีรษะนี่มันไม่ใช่เรื่องเล็กๆน้อยๆนะมันอาจกลายเป็นโรคเส้นประสาทก็ได้อาจเส้นเลือหิดแตกทันทีทันใดก็ได้อาจก็ได้อาจก็ได้อ ไ, ดอ ไ, ดอไอ้มึนศีรษะนี่แหละตายมานักต่อนักแล้วคิดดูเอาเองงานดีแต่อายุสั้น กับอายุยาวแต่งานก็พอไปกับเพื่อนฝูงเขาได้แกจะเลือกเอาทางไหนความเกลียดคร้านโจมตีหนักนี่แหละสำนวนความเกียดคร้านลงท้ายก็เอาแต่ความตายขึ้นขู่ทุกทีใครโดนเข้าแบบนี้ก็ชักงงลุกไม่ขึ้นคืออุตานะไม่ไหวชักจะรู้สึกศีรษะกลับมีอาการมือนหนักเข้าอีกแถมจะมีอาการหนาวตามผิวตัวนิดๆมันอยากจะนอนคลุมโปง เอาที่นอนวัดหลังต่อไปจะได้รู้ว่าสันหลังยาวกี่มากน้อยคนขยันจะต้องใจแข็งไม่สะทกสะท้านต่อความตายที่ความเกียดคร้านยกมาขู่และลักษณะของคนขยันเบื้องต้นที่สุดคืออุตธานาะลุกขึ้นทำงานข้อที่2การอารักขาทรัพย์ข้อนี้ภาษาบาลีท่านใช้คำว่าอารักขสัมปทาส่วนมากแปลว่าความถึงพร้อมด้วยการรักษา ซึ่งหมายความว่ารู้จักรักษาทรัพย์ที่ตนท ร, รมาหาได้คำแปลและความหมายดังกล่าวนี้รับรองว่าถูกต้องและใช้ได้ในทางการศึกษาแต่ในทางปฏิบัติข้าพเจ้าเห็นว่าการแปลศัพท์อารักขาว่ารักษาเฉยๆดูจะเปาไปหน่อยถ้าแปลว่าอารักขาจะมีน้ำหนักดีกว่าและได้ความหมายทั้งการศึกษาและทางปฏิบัติครบถ้วน คำว่ารักษากับคำว่าอารักขาน้ำหนักของความหมายไม่เท่ากันถึงในภาษาบาลีซึ่งเป็นภาษาต้นตระกูลของตาราพุทธศาสนาท่านก็ให้สับทั้งสองนี้ในที่ต่างความหมายกันรักษะแปลว่ารักษาอารักขาแปลว่าอารักขารักษาหมายถึงเฝ้าระวังป้องกันไม่ให้หายไม่ให้ขาดเช่น คนรักษาวัวควายรักษาไรนาและรักษาคลังเป็นการรักษาทุนเดิมเอาไว้ส่วนการอารักขาหมายถึงการคุ้มครองตรวจตราดูแลแก้ไขไม่ใช่เพียงแต่เฝ้าไว้เฉยๆคำว่าอารักขานั้นหากจะแปลเป็นไทยเข้าใจว่าจะตรงกับคำว่าดูแลมากกว่าคำอื่นอีกหลายคำแต่ก็ยังไม่แน่ใจนักท่านผู้อ่านการุณาคิดดูด้วย ความหมายคือทําให้ปลอดภัยด้วยทําให้เจริญงอกงามขึ้นด้วยการทําความปลอดภัยให้ทรัพย์จะต้องทราบก่อนว่าภัยของทรัพย์มีมาจากทางใดบ้างแล้วจึงคิดอ่านป้องกันให้เหมาะสมภัยของทรัพย์มีมา3ทางคือภัยธรรมชาติภัยจากคนภายนอกภัยจากคนภายในภัยธรรมชาติคือเกิดจากลมฟ้าอากาศและอายุการของทรัพย์นั่นเอง การอารักขาทรัพย์จากภัยประเภทนี้คือการรู้จักถนอมและรู้จักเก็บรักษาไม่ทอดทิ้งตามยถากรรมแม้ว่าการเวลาจะทำให้ทรัพย์สึกหรอหรือเสื่อมสิ้นไปก็เสื่อมช้าลงให้เจ้าของได้รับประโยชน์อยู่นานภัยจากคนนอกคือถูกโจรผู้ร้ายฉกชิงหรือปล้นสะดมยื้อแย่งเอาไปรวมทั้งถูกช่อโกงหลอกลวงอย่างที่คนเคราะห์ร้ายโดนกันอยู่ทุกวันนี่แหละ การอารักขาทรัพย์จากภัยประเภทนี้ขึ้นอยู่กับการระมัดระวังตามควรแก่กาละเทศะแต่การอารักขาทรัพย์ให้ปลอดภัยในเมื่อคนอื่นเป็นโจรทุกคนพอทำได้ปิดกำปั้นลั่นกุญแจให้ดีทรัพย์ก็ปลอดภยัยแต่การป้องกันโจรอีกอย่างสิร้ายคือเจ้าของเป็นโจรปล้นทรัพย์ของตัวเองให้ย่อยยับไปกับมือตารวจทั้งโรงพักก็ช่วยอะไรไม่ได้โจรภายในร้ายจริงๆ คนเราส่วนมากห่วงโจร น, นอกบ้านแต่ความจริงแล้วคนที่หายนะล่มจมเพราะโจร น, นอกบ้านแท้ๆมีไม่เท่าไหร่เวลานี้ข้าพเจ้าเองยังนึกหาตัวไม่ได้เสียด้วยซ้ําร้อยทั้งร้อยของคนสิ้นเนื้อประดาตัวล้วนแต่ผานทรัพย์ด้วยน้ำมือของตนเองทั้งนั้นพผานด้วยเหล้าบ้างผานด้วยฝิ่นบ้างพผานด้วยการพนันบ้างนอกจากนั้นก็ผานด้วยการเล่นการกินอวดมั่งอวดมีโจรภายนอกนั้น ที่ร้ายแรงก็แค่โขนเอาเงินทองเสื้อผ้าหรือไล่ต้อนเอาวัวเอาควายไม่เคยฉก ช, ชิงเอาจนหมดสิน้นแต่จนภายในนั้นปล้นเงียบแม้แต่ข้าเขวเขียวๆในนาก็ไม่เหลือไว้ให้อยากเห็นต้องไปดูคนที่ถูกผีการพนันสิงแล้วเฉพาะ อ, อย่างยิ่งพวกที่หลงมัวเมากับสลากกินรวบซึ่งเป็นการพนันชนิดหาหลงเมืองอยู่ทางภาคอีสานทั้งผัวทั้งเมียช่วยกันปล้นทรัพย์ของตัวเอง หอบขนเอาไปประเกณฑ์ให้เจ้ามืองวดแล้วงวดเล่าสิ้นเนื้อประดาตัวจนไม่มีผ้าจะนุ่งอยู่แล้วยังไม่ยอมรามือนักปล้นทรัพย์ตัวเองที่มีอยู่ดืนในภาคต่างๆคือคนติดเหล้าติดฝิ่นราคาเหล้าราคาฝิ่นที่คนเดียวดื่มและสูบมากกว่ารายได้ที่จะจุนเจือคนทั้งครอบครัวเสียด้วยซ้ําข้าพเจ้าเคยพบเห็นมากับตาแล้วคนติดสุราชนิดไม่ยับยั้งตัวเองไว้เลย แม้จะเป็นคนมีฐานะเกือบปานกลางแต่ปรากฏว่าเป็นคนมีหนี้สินติดตัวมากมายหนี้เหล้าหนี้ยาทั้งนั้นบางคนเงินเดือน900บาทรับเงินเดือนแล้วหักชำระหนี้ปรากฏว่าเงินเหลือกลับไปให้ลูกเมียทางบ้านเดือนละ40 0บาทเท่านั้นและยังมีหนี้รายอื่นที่ยังไม่ได้ชำระอีกตั้งหลายรายข้าพเจ้าเห็นเหมือนกันที่แม่บ้านบางรายร้องไห้ร้องห่งม เป็นวักเป็นเวนในเมื่อเผชิญกับสภาพการเช่นนั้นมันทนไม่ไหวจริงๆเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ของรายได้ถูกผัวสมคบกับเจ้าของร้านเหล้าปล้นเอาไปเสียลูกเต้า6ถึง7คนจะทนมีชีวิตอยู่ได้อย่างไรร้องไห้ดีกว่าร้องเสียให้หมดน้ำตาเวลาผัวตายจะได้ไม่ต้องร้องไห้ให้ลำบากแต่ก็นั่นแหละเราพูดกันที่บุญที่บาปตกบทแม่บ้านได้ผ่านบ้างก็เล่นเอาผัวมองแผ่นดินเหลืองไปเหมือนกัน ผัวไปทำงานหลังขดหลังแข็งฝ่ายเมียนั่งเล่นไพ่สนุกกับการผลนเงินเก่งในทางทำหนี้รายงานผัวอยู่เพียงคำเดียวทั้งปีคือบอกว่าเงินหมดใครจะทนไหวฉะนั้นการอารักขาทรัพย่ยานึกห่วงแต่โจรภายนอกอย่างเดียวต้องระวังโจรภายในด้วยข้อที่3การคบมิตรข้อปฏิบัติในการสร้างหลักทรัพย์ข้อที่3เป็นเรื่องมิตร ในทางตำราท่านใช้ศัพท์ว่ากัลยานมิตรตตาแปลว่าความเป็นผู้มีมิตรดีพูดอย่างสำนวนชาวบ้านว่าได้มิตรดีหรือได้เพื่อนดีการปฏิบัติตามพระพุทธโอวาทข้อนี้จะต้องตีปัญหาต่างๆที่เกี่ยวข้องให้แตกหลายประเด็นเช่นเป็นต้นว่าเรื่องความสำคัญของมิตรเรื่องประเภทของมิตรและเรื่องการคบมิตรคนที่เรียกว่ามิตรคือคนที่มีไมตรีกับเรา คำว่ามิตรไมตรีมิตรจิตมิตรภาพคำพวกนี้เป็นคำงบเดียวกันโดยทั่วไปแล้วเล็งถึงความรักและความหวังดีต่อกันในระหว่างคนหนึ่งกับอีกคนหนึ่งและอาจขยายขึ้นไปถึงระหว่างครอบครัวระหว่างคณะกับคณะจนกระทั่งถึงประเทศต่อประเทศอาจครบเป็นมิตรกันที่เราพูดตามสันวนการพูดแล้วประเทศมีสัมพันธรรมไมตรีกัน แต่ในที่นี้เราพูดถึงปัญหาการครองเรือนไม่จําเป็นต้องตีวงกว้างเกินไปว่ากันเฉพาะเรื่องมิตรของเราจริงๆรู้จักมิตรของเราแล้วก็รู้จักมิตรส่วนรวมเองคําว่ามิตรตรงกับภาษาไทยแท้ว่าเพื่อนแต่คําว่าเพื่อนเฉยเฉยหมายถึงคนที่รวมกันทีนี้คนเรามันรวมกันได้หลายทางเพื่อนก็เลยมีหลายประเภทเช่นคนทํางานร่วมกันเรียกว่าเพื่อนร่วมงาน คนออกแรงร่วมกันเรียกว่าเพื่อนร่วมแรงคนเรียนหนังสือร่วมกันเรียกว่าเพื่อนร่วมเรียนคนอยู่ในสำนักเดียวกันเรียกว่าเพื่อนร่วมสำนักคนเดินทางด้วยกันเรียกว่าเพื่อนร่วมทางคนพ <reg ller, S 1> well ักห้องเดียวกันเรียกว่าเพื่อนร่วมห้องคนเกิดในชาติเดียวกันเรียกว่าเพื่อนร่วมชาติคนถือศาสนาเดียวกันเรียกว่าเพื่อนร่วมศาสนาคนคิดงานร่วมกันเรียกว่าเพื่อนร่วมใจ คำว่ามิตรหมายถึงเพื่อนลำดับสุดท้ายที่ข้าพเจ้ายกมาเรียงไว้คือเพื่อนร่วมใจไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือชายเป็นผู้ใหญ่กว่าหรือเสมอกันหรือต่ำกว่าถ้าเป็นผู้ร่วมใจกันก็เรียกว่าเป็นมิตรการร่วมกันของคนมีหลายชั้นหลายสถานแต่ที่จะถึงขั้นร่วมใจกันจริงๆมีเฉพาะบางคนอย่างเช่นนักเรียนในห้องเรียนหนึ่งมี50คนทั้งหมดเป็นเพื่อนร่วมชั้นกัน แต่ในบรรดาเพื่อนร่วมชั้นทั้งหมดนั้นที่เรารักเอาเป็นเพื่อนร่วมใจจริงๆมีเพียงสองถึงสคนเท่านั้นพอหยุดพักคนที่เป็นเพื่อนร่วมใจกันก็จับกลุ่มเล่นอะไรด้วยกันเหมือนคนใจเดียวกันคนประเภทนี้แหละที่เรียกว่ามิตรขอแวะตรงนี้หน่อยที่ข้าพเจ้าว่ามิตรคือคนรักใคร่ร่วมใจกันคือเอาความรักในใจออกตัดสินว่าเป็นมิตรกันหรือไม่เป็น ท่านผู้อ่านส่วนมากอ่านแล้วก็คงจะไม่นึกท้วงติงอะไรเพราะเป็นคําธรรมดาแต่นักสังเกตคิดเล็กคิดน้อยอาจ น, นึกแยง้งเรื่องนี้ตัวข้าพเจ้าก็เคยแย้งมาแล้วคือตําราทางธรรมะท่านแสดงมิตรไว้สองประเภทคือมิตรแท้กับมิตรเทียมและได้ทําความเข้าใจกันมาว่ามิตรแท้คือคนที่มีใจรักและหวังดีต่อกันจริงๆส่วนมิตรเทียมได้แก่คนที่ใจไม่รักจริง และบางทีอาจคิดมุ่งร้ายปอกลอกเอาทรัพย์เสียด้วยแต่แส้ทำเป็นรักคนประเภทนี้ท่านก็เรียกว่ามิตรเหมือนกันแต่เป็นมิตรเทียมที่ความเข้าใจเดิมที่ข้าพเจ้าเคยแย้งคนอื่นเพราะมั่นใจว่ามิตรมีสองชนิดคือมิตรแท้กับมิตรเทียมแต่ครั้นศึกษาเข้าถึงขั้นขบถามแล้วจึงได้ทราบว่ามิตรมีอยู่ประเภทเดียวเท่านั้นคือคนรักกันร่วมใจกันส่วนคนไม่รักแส้ทารักนั้น ท่านเรียกว่าคนเทียมมิรคนประเภทนี้ไม่ใช่มิรไม่ได้ดำรงตำแหน่งมิรแต่ปลอมตัวเป็นมิรเรียกให้ถูกต้องเรียกว่าคนเทียมมิรแต่เรามักง่ายเองไปเรียกว่ามิรเทียมแล้วเวลาแจกลูกออกไปก็หยอดคำว่ามิรลงไปทุกคำเสียด้วยยกตัวอย่างเช่นนักเรียนทาท่องหนังสือท่องเพลินไปว่า มิดเทียมสี่จำพวกคือมิดบอกลอก1มิดดีแต่พูด1มิดหัวประจบหนึ่งมิดชักชวยในทาง1ิบหายห1เวลาตอบลงในกระดาษก็ตอบลงไปอย่างนี้แล้วก็ได้คะแนน2หอ3หอจริงๆด้วยแต่ถ้าจะว่ากันตามเหตุผลข้อเท็จจริงแล้วท่องผิดและตอบผิดทั้งชุดเลยเพราะมิดมีอยู่ชนิดเดียวเท่านั้นคือคนร่วมใจกัน ส่วนคนสี่จำพวกที่ว่านั้นไม่ใช่มิตรแต่เป็นคนเถียมมิตรในหนังสือนวโกว่าสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิระยาณวโรรสก็ทรงใช้คําว่าคนเถี่ยมมิตรในวงเล็บไม่ใช่มิตรเทียมและเวลาแจกลูกไปก็ทรงใช้คําว่าคนอย่างนั้นคนอย่างนี้ไปทุกข้อไม่ได้ให้เกียรติคนจำพวกนั้นว่าเป็นมิตรเลยแม้แต่รายเดียวแต่คนท่องเอาความ คล่องป่าเขาว่าเลยกลายเป็นมิตรไปหมดที่ว่านี้ข้าพเจ้าไม่ได้คิดตําหนิคนอื่นแต่ข้าพเจ้าเองก็เป็นมาแล้วจึงเล่าไว้เผื่อจะมีใครเป็นอย่างข้าพเจ้าบ้างเท่านั้นรวมความว่าคนที่ร่วมใจกันเรียกว่ามิตรเอาความร่วมใจเป็นเกณฑ์ตัดสินว่าเป็นมิตรหรือไม่ส่วนที่ร่วมใจในทางใดและคนนั้นดีหรือเลวค่อยว่ากันไปในประเด็นหน้า มิตรเป็นปัจจัยสําคัญยิ่งในการทํารงชีวิตและการสร้างความเจริญก้าวหน้าไม่ว่าหนทางใดความอาภัพของคนเราในการระยะขาดมิตรท่านแต่ก่อนระบายความรู้สึกลงไว้ในคําจํากัดความชั้นๆว่าหัวเดียวกระเทียมรีบซึ่งเป็นคําที่เข้าใจกันดีว่าคนชนิดนั้นขาดเพื่อนร่วมจิตมิตรร่วมใจมีแต่ตัวคนเดียวล่อนจ้อนจะคิดทําอะไรได้เหมือนหัวกระเทียมรีบนั่นแหละ ลูกเท่าไหร่ก็ไม่ขึ้นทางศาสนาพระพุทธเจ้าทรงรับรองไว้เหมือนกันว่ามิตรเป็นปจัจจัยจําเป็นยิ่งในการดํารงชีวิตทรงสอนให้คบมิตรทุกคนแต่ทรงกําชับเพิ่มเติมว่าในการครบมิตรนั้นให้เลือกคบแต่กร ะ, ะยาณมิตรอย่าคบปาปามิตรการที่มิตรมีส่วนสําคัญในการทําให้เจริญหรือเสื่อมนั้นเป็นเหตุผลที่เห็นได้ง่ายอยู่แล้วเพราะเรากับเขาได้ร่วมกันเข้า และร่วมในเรื่องสำคัญเสียด้วยคือใจเราไปร่วมกับใจเขาหรือจะพูดว่าเราได้รับเอาใจเขามาร่วมกับใจเราก็ได้เป็นการเอาแกนในที่สุดของชีวิตเข้าร่วมกันจริงๆลองคิดดูสิหุ้นเงินหุ้นทองหุ้นข้าวหุ้นของหรือแม้แต่เอาเลือดเนื้อร่างกายเข้าหุ้นกันก็ยังไม่เท่าหุ้นใจคนเราลงได้เอาใจกับใจหุ้นกันแล้วเป็นที่สุดของการรวมหุ้น ดีก็ดีด้วยกันชั่วก็ชั่วตามกันจะรุ่งโรดหรือล่มจมก็ด้วยกันเหมือนเอาน้ำสองแก้วเข้ารวมกันไว้ในแก้วเดียวอยู่ก็อยู่ด้วยกันหกก็หกด้วยกันเหม็นหอมก็ด้วยกันว่าเรื่องมิตร ด, ดีมิตรเลวต่อไปมิตร ด, ดีภาษาทางศาสนาเรียกว่ากัลยาณมิตรส่วนมิตรเลวเรียกว่าบาปมิตรข้าพเจ้าอยากจะพาท่านผู้อา่านลัดเข้าไปหาทางปฏิบัติทีเดียว แทนที่จะยกตำรามาสาธยายให้ฟังหลักการครบมิตรที่ว่าอยากคบคนช่วยคบคนดีนั้นข้าพเจ้าคิดว่าใครๆก็ทราบอยู่แล้วความผิดพลาดในเรื่องการครบมิตรไม่ได้อยู่ที่ว่าไม่รู้หลักการแต่อยู่ที่การเลือกคนหรือการดูคนอยากคบคนดีแต่ดูผิดก็เลยมีมิตรชัว่วข้าพเจ้าอยากจะว่าเพื่อนของใครเขาก็ต้องว่าของเขาดีเขาเห็นว่าดีแล้วจึงคบ เอาเป็นเพื่อนอุตส่าหนี้โรงเรียนไปกับเขาก็เพราะคิดว่าเขาดีอุตสาห์เดินด้อมๆเที่ยวลักเที่ยวปล้นกับเขาก็เพราะเห็นว่าเขาดีไปเที่ยวทาเกกะอันพานเป็นสมัครพักพวกกับเขายกไปตีที่โนโนอารวาที่นั่นเรื่องของเรื่องก็เพราะเห็นว่าเขาดีเป็นอย่างนี้จริงไหมท่านถึงพระจะเทศนาเสียงลั่นบ้านสอนว่าให้คบแต่คนดีเราก็ได้ยิน แล้วก็คิดว่าตัวเองก็ได้ปฏิบัติตามอยู่แล้วได้คบกันไว้แล้วแต่มือดีๆทั้งนั้นใครอยากเจอที่ไหนเมื่อไหร่ก็ได้รวมความว่าคนทุกคนรู้หลักการอยู่แล้วว่าการครบคนนั้นต้องเลือกคบแต่คนดีแต่ความผิดพลาดมันอยู่ตรงที่การเลือกคนดูคนผิดแล้วจะทำอย่างไรจริงในกระบวนการดูแล้วไม่มีอะไรดูยากเท่าดูคนพวกสัตว์เดรัจฉานมันก็มีตัวมีใจเหมือนกัน แต่ตัวกับใจมันตรงกันเป็นส่วนมากพอเห็นตัวก็รู้ถึงใจถ้าตัวมันเป็นเสือใจมันก็ร้ายทุกตัวเสือใจดีหาไม่เจอแต่คนเรานี่สิใจกับตัวมันไม่ตรงกันหน้าเนื้อใจเสือมีถมไปร่างขี้ริ้วแต่ใจดีก็มีมากจะคบคนต้องระวังประการสำคัญดูคนต้องดูให้ถึงใจที่โบ ร, ราณท่านสอนว่าคบคนให้ดูหน้าซื้อผ้าให้ดูเนื้อนั้น เอาเข้าจริงดูแต่หน้านอกไม่พอต้องดูให้ถึงหน้าในาคือใจด้วยจึงจะได้แต่ก็ว่าเถอะการดูคนจะผิดหรือถูกสาคัญใจของเราผู้ดูด้วยถ้าใจเรามีความเห็นผิดเป็นพื้นอยู่แล้วมันก็เห็นกลับกันคือเห็นคนดีเป็นคนเลวเห็นคนเลวเป็นคนดีแต่ถ้าเรามีธรรมะเป็นพื้นใจอยู่แล้วใจสว่างด้วยปัญญาการดูคนก็ไม่สูอยากนะัก ที่ยากนะ่ะยากอยู่พวกเดียวคือพวกไม่มีธรรมะอยู่ในใจเลยปล่อยให้อธรรมครอบครองใจเสร็จแล้วก็มีแต่จะเห็นคนอธรรมเท่านั้นว่าเป็นคนดีคนมีศีลธรรมอย่าแหลมเข้าไปเลยจะถูกตราหน้าว่าเป็นคนไม่ดีหมดแต่ก็ช่างเถอะคนเคราะห์ร้ายขนาดอธรรมครอบงำใจจนมืดมิดอย่างนั้นก็มีอยู่ไม่เท่าไหร่ปล่อยให้ผ่านไปตามทางของเขาก่อนเรามาพูดกันเฉพาะ คนชั้นเราๆท่านๆซึ่งได้รับแสงสว่างจากธรรมะอยู่แล้วถึงมันจะมืดบ้างก็เป็นบางมือ้อบางคราวยังพอจะรู้ว่าอันไหนดำอันไหนขาวอยากทราบว่าคนไหนจะเป็นกรรยานามิตรในวงเล็บมิดดีหรือปาปมิตรในวงเล็บมิดเลวให้สังเกตสองอย่างนี่พูดถึงข้อสังเกตเบื้องต้นสำหรับคนที่เราไม่มีทางจะไปเสืบรู้ประวัติเดิมที่พอจะวินิจฉัยได้ จุดสังเกต2จุดคือ 1. สิ่งที่เขาชอบ 2. สิ่งที่เขาชวน 2. สิ่งที่เขาชอบหมายถึงการที่เขามาชอบเราเขาชอบสิ่งใดในตัวเราตามปกติแล้วคนเราทุกคนก็มีเรื่องอยู่คนละ2งเรื่องคือความดีกับความไม่ดีความดีเช่นเราเป็นคนกระตันญูเลี้ยงดูพ่อแม่มีความขยันความซื่อตรงและคุณธรรมอื่นๆส่วนความไม่ดีก็เช่น การเกเรสูรุ่ยสูร่ายตลบตะแลงคดโกงเหล่านี้เป็นต้นคนแต่และคนก็มีดีบ้างชั่วบ้างทีนี้เวลาใครเขาไมา่ชอบเราจะมาคบหาสมาคมกับเราเช่นมาเป็นเพื่อนเป็นคู่รักเป็นลูกน้องหรือมาคบในฐานะใดๆก็แล้วแต่ให้พึงสังเกตจากคำของเราที่ว่าเขาไมา่ชอบเรานั้นเขาชอบเรื่องอะไรของเราซึ่งโดยปกติแล้วเขาจะบอกเอง ในการชมเชยหรือจีบให้เรารักสมมติว่าเขาชมเราว่าผมชอบคุณจริงๆที่คุณกล้าหนีโรงเรียนเมื่อคราวนั้นนี่แสดงให้รู้ว่าเขาชอบความไม่ดีของเราผมยอมนับถือในเรื่องความซื่อตรงคนอื่นเขาโกงกันทั้งกลมแต่คุณไม่เลยนี่สิผมนับถือจริงๆนี่แสดงว่าเขาชอบความดีของเราคือหมายความว่าในตัวเรานี้มีของอยู่สองชนิดของดีกับของเลว แล้วทีนี้คนที่เขามารักเรานั้นเขาชอบอันไหนให้สังเกตตรงที่เขาชอบนั่นแหละถ้าหากเขามาชอบความดีของเราให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าเขาจะเป็นมิตร ด, ดีแต่ถ้าเขามาชอบความชั่วของเราก็ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าเขาจะเป็นมิตรเลวนี่ข้อสันนิษฐานขั้นต้นแล้วพยากรมิตรภาพระหว่างเขากับเราในอนาคตก็ได้อย่างเช่นเขามารักเราเพราะชอบความเนรคุณของเรา ที่เราได้กระทำผิดพลาดต่อใครหลายปีมาแล้วก็พยากรณ์ว่าคนเช่นนี้ถ้าเราตีสนิทเข้าไปภายหน้าตัวเราเองก็จะได้รับความช้าใจและความเนรคุณของเขาถ้าเขามาชอบเล่เหลี่ยมการคดโกงของเราก็พยากรณ์ได้ว่าไปข้างหน้ามิตรภาพระหว่างเรากับเขาจะขาดลงเพราะความคดโกงของเขาที่กระทำต่อเราการสังเกตเรื่องที่เขาชอบดังกล่าวนี้เป็นเรื่องที่ทาได้ง่ายเพราะตามปกติ คนเราเวลารักกันเขาย่อมจะบอกเราเองว่าเขารักอะไรในตัวเราดีหรือชั่วผู้ใดมาเป็นมิตรกับความดีของเราผู้นั้นก็เป็นมิตร ด, ดีและใครบ้างที่มาเป็นมิตรกับความชั่วของเราเขาผู้นั้นก็เป็นมิตรชั่วแต่ก็ควรมีข้อระวังอยู่อย่างหนึ่งจำพวกคนใจซามขี้คลาดแทนที่เขาจะบอกเราตรงตรงว่าเขาชอบอะไรในเราแต่กลับปั้นคำกลบเกลื่อน ทำเป็นทีว่าตัวเขาเองก็ชอบอย่างที่เราชอบนิสัยชอบโกหกทุกมุมบ้านแต่มานั่งชมความซื่อตรงเพื่อล้วงตับเราอย่างนี้ก็มีเหมือนกันฉะนั้นต้องใช้ข้อสังเกตชั้นที่2คือสังเกตเรื่องที่เขาชวนชั้นนี้แนวกว่าชั้นแรกจุดที่จะสังเกตคือสังเกตดู ว, ว่าเขาชวนเราทําอะไรเช่นชวนไปโรงเรียนชวนหนีโรงเรียนชวนไปลักขโมยชวนหนีพ่อแม่ไปเที่ยว ชวนช่อโกงชวนก่อจราจนชวนทำผิดกฎหมายชวนละเมิดคำสั่งชวนค้าของเถื่อนชวนทำงานในทางถูกต้องและชวนในเรื่องอื่นๆก็ตามลองพิจารณาดูว่าเขาชวนเราในทางดีหรือทางเสียเช่นชวนเราไปโรงเรียนก็เป็นทางดีชวนหนีโรงเรียนเป็นทางเสียอย่างนี้เป็นต้นข้อวินิจฉัยก็มีว่าถ้าหากเขาชวนเราในทางดีเขาก็เป็นมิตรดี แต่ถ้าเขาชวนเราไปในทางเสียเขาก็เป็นมิตรชั่วสุดกันแค่นี้ไม่ต้องเสียเวลาไปคอยสอบประวัติอะไรกันอีกแล้วตัดสินเด็ดขาดด้วยการชวนของเขาเท่า น, นั้นพอและโปรดทราบด้วยว่าการชวนมีลักษณะหลายแบบหลายวิธีผู้ใหญ่ชวนผู้น้อยเรียกว่าชี้ชวนผู้น้อยชวนผู้ใหญ่เรียกว่าเชิญชวนคนเสมอกันชวนกันเรียกว่าชักชวน และวิธีชวนก็มีหลายวิธีชวนตรงๆชวนด้วยการให้โอวา่าด้วยสุนทรพจน์ด้วยจดหมายการเขียนลงหนังสือพิมพ์ด้วยการเขียนเป็นหนังสือเล่มด้วยการพิมพ์เป็นใบปลิวแจกด้วยการพูดทางวิทยุด้วยการให้สัมภาษณ์และชวนออกมาในรูปต่างๆเป็นคำร้อยแก้วร้อยกรองบทเพลงคาสัมภาษณ์ก็ได้ไม่ว่าจะชวนแบบไหนวิธีใดใช้เป็นข้อสังเกตได้ทั้งนั้น ตกลงว่าในหลักแรกของการสร้างความสุขสมบูรณ์ในครอบครัวจำจะต้องคำนึงถึงปัญหาการครบมิตรด้วยคำที่ท่านกล่าวกันมาว่าคบคนดีเป็นสีแก่ตัวและคบคนชั่วพาตัวอับปางเป็นคำที่ถูกต้องแน่นอนทุกยุคทุกสมัยมิตรชั่วถอนเสาเรือนใครต่อใครมานักแล้วผู้ครองเรือนจะต้องระวังจงหนัก